เขาโหได้ฟังหวังเวงเวอสิ้นหวังแล้วรักเราจึงเศร้ามองเห็นขันมาเขาแห่มา อาจะไรไม่อาวอกเหมือนหลอกหลอนตัวเรา And t h e n